อยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากต่อมากมีแต่ความเคลื่อนไหวเพื่อความผิดพลาดของปิตที่จะให้ออกนอกลูก่นอกทางแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้บังคับปัญชานานแน่นด้วยสติเป็นพื้นฐานปัญญาเป็นเครื่องไก่ครองพินจพิจรารณาแทรกกันไปนั้นมีหนัก บ, บ้างเบาบ้างสําหรับปัญญาในขั้นเริ่มแรก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 การบําเป็นสมาธรรมที่เกี่ยวกับความรักความจังความหึมคมหงความหวงความโหยความโมโหโทโสที่จะทำลายตนอย่างพินาศทิพยหายไปนั้นจริงไม่มีในป่าในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ธรรมจะเจริญงอกงามโดยถ่ายเดียวคือะเดินจงกลมก็สะดวกในสถานที่เช่นนั้นนั่งสมาธิภาวนาก็สะดวก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 ไม่มีความรู้สึกว่าภูมิใจในเจ้าของเท่าที่ควรเลยและไม่ภูมิใจผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปากฏนะักนี่แหละมันทำให้จิตใจของเราดีดดิน้นหาเหตุหาผลหาสะดุดจุ ด, ดทำที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นพานในใจในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่เช่นนั้นคือที่กลัวๆจังต้องมักสาะแสวงในสถานที่กลัวๆเสมอทั้ ง, ท, ง, ท, งที่เราก็กลัว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 นี่แหะการประกอบความผักยนันอันจึงเห็นผลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในการภาวนาของเราซึ่งไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนั่และไม่อยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวสถานที่แห่งหนึ่งแห่งเดียวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอจิตจะมีความคุ้นสถานในสถานที่ใดจะเป็นความชินชากิเลศจะขึ้นแล้วนะตัวหน้าด้าน ตีเกียจี้้านประกอบความภาคเพลินการตั้งสติชัตังจะค่อยเหลวไหลไปนี่ต้องเปลี่ยนนั่นแหละอุบายของการประกอบความภาคเพลินให้ทา่ทานทั้งหลายจับมาไว้นี่อธิบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บำเพ็ญให้ได้คิดหลายแีย่หลายทางเพื่อทันกับปรมาา์ของกิเลสที่คอยสอดแทรกอยู่เสมอภายในาจิตใจเราจรึงต้องพลิกหลายสันหลายขมพ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 จากนั้นก็อยู่ในป่าใครจะไปสนใจกับพระศิลปษฐาราชกุมารว่าเป็นกษัพย์เป็นเทวบุตรเทวดาหรือเป็นอนาถาธมาจากไหนเขาก็เห็นว่าเป็นนักพส์คนหนึ่งหรือนัก บ, บวชคนหนึ่งตานมนัทธิของเขาที่เคยมีอยู่ประจำในสมัยนั้นๆเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ทรงทนงพระองค์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 เป็นเครื่องหลอกลวงนี่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อสติปัญญาเราก็ฟิตตัวของเราให้ดีดยนําดับลำดานแล้วทันคิดขึ้นเรื่องอะไรอะไรก็ทันที่แรกเพียงทันซะก่อนท่านมีสติปัญญาสามารถแก่กล้าแล้วไม่เพียงแต่ว่าทันยังสังหารกันด้วยได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนะนี่เการปฏิบัติธรรม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 แม้ท่านผู้สิ้นชีวิตแล้วท่านอยู่ด้วยความเป็นมิหารธรรมในสถานที่สงบสงัดตามอัตยาสัยของท่านซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ยุไม่ยุ่งอะไรกับอะไรแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อธาตุเพื่อขันในมิหารธรรมในทิฏฐธรรมเท่านั้นคือเวลายังทรงธาตุทรงขันอยู่ท่านก็ประกอบความภาคเพลิน